มึงจีบแม่เหักทันเลยยังไงมันใส่ทำไมมันไม่ใส่กินจีบวันนี้เจ็บนสั่น้งวันนี้ันท้ายแกเงา ใหญ่ด้วยตัวคนเดายว่เคยไปเห็นหรือเปลาไปเหนื่อยที่ห้องก็หอยน่าจะเจ็เหี้ยมันหลอดเป็นสุ ออกมที่ทภาษาไทยอีสานไออกไหออกิดเดียวไปยังภาษาจี่ไหนเห็นคือภาษาไทยได้ปน่คอนอืมนปคนคนที่ไหนนะ กินสนที่ไหนนั่งินินเรียนกินตาที่พูดภาษาไทยได้ต่เรียนมาจากที่ไหนใช่เลยเรียนอยู่เอ เราจะเรียนมาเรียนอยู่ที่ไทยนี่จ้ะทางโน้มเขาพู่แล้รไปสังเกตไปฟังไปอ่ะมาจำได้ยังจอยู่ริสนั่นเขาคุยไม่ได้เท่าริสเนี่ย ฤที่เขากลับไปเขาพูดยังไม่ได้กี่คำคงจะสนใจน้อยเลยไม่เยได้าศัยอาจารย์ตัวเอได้าศัลย์คะไม่สนใจเลยไม่เกศษา์ัยียนโอาไวยไม่เคยฝันว่าจะมีคนต่างชาติมาอาศัยวัด สมัยเก่าก่อนมันไม่มีแขกต่างชาติที่จะมาศึกษาศ า, าสนาโดยมากเขาขอศึกษาศาสนาของเขาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการคมนาคมแต่ก่อนมันก็ไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้า น, น, นานๆทีถึง่อยจะมีแขกต่างประเทศมาในเมืองแล้วก็พวกอยู่ก็มาทุกมาธุระ ทำหน้าที่ของเขาเขาไปสนใจประวัติสวามศาัตนพุทธ <c oughs> แต่สมัยหลังๆมานี่มีคนสนใจศาสนาพุทธละเน้นพิจารศึกษาท่านศึกษ า, ก า, กษาอย่างภาษาเพราะที่จะพูดกันได้เป็นบางถ้อยบางคำ สมมติมันเป็นเรื่องยากอันหนึ่งคือสิ่งเดียวกันขอสมมุติไปหลายถอยหลายคําภาษาหนึ่งพูดไปว่าอย่างหนึ่งภาษาหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งทั้งทั้งสิ่ของนั้นเป็นอันเดียวกันทางด้านธรรมะถึงแม้จะสมมุติไปที่ไหนมันสมมัติกันหมดเห็นทุกคือความไม่ สบายกายสบายใจความทนดนยากยิ่งกว่าทุกอย่างนี้จะเป็นภาษาอะไรสมมติปไปอย่างไหนความปรากฏในกายในใจมันก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นความทุกข์อันนี้ไม่มีชาติชัน้นวันณนไหนไม่มีพวกใดที่จะไม่ได้รับทุกคนเกิดมาจะต้องมีความทุกข์กายทุกใจดดวยกันทางนั้น นีคือสัตว์จะทำคือของจริงซึ่งมันผิดแปลกแตกต่างกันจะไปเกิดในจินใดแดนใดก็เหมือนกันทั้งนั้นทางศาสนา ส, นสอนให้รู้จักเรื่องของทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจความทนได้ยากนี่มันมีประจำตัวของทุกท่านทุกคนเกิด ม, มาแล้วไม่ว่าจะมนุษย์สัตว์มันเหมือนกัน ความ่ตั้งมัน่นของทนของขาดของขันของสั้งขา น, นเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปอยู่เรื่อยๆแต่จิตใจของสัตว์ของมนุษย์ของคนทั่วไปมันนึกอยากจะให้มันคงเส้นคงวาอ่าสิ่งที่ตัวปรารถนาสิ่งที่ตัวไม่ปรารถนาไม่ต้องการไม่อยากได้ก็อยากขับไล่สิ่งนั้นให้หนีไป เมื range, ่อมันในนี้ไปตามใจปรารถนาก็เกิดทุกเมื่อม ah> ันไม่คงอยู่ตามความต้องการมันก็เกิดทุกนี่คือทุกทุกเกิดยินฟ้าอากาศทุกโดยความแจ่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกอันหนึ่งถึ่งทุกคนพอจะเข้าใจพ่อจะเห็นคือทุกของกายเกิดมาแล้วก็แพ้พัวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เดียวกับอนิจจังคือความในเขียงของถาของขันทุกท่านทุกคนเคยไปสมพบมาจนเราก็เป็นเด็กเล็ ก, เ ด, กเด็กแดงต่อมาก็ค่อยเจริญขึ้นมาเป็นเด็กธรรมดาเป็นเด็กกำลังกลุมลุกพุกขาน <c oughs> ต่อมาจากนั้นก็หัดเดินหัดวิ่ง จนตลอดเป็นเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวขึ้นมานี่คือวความแฉะความเปลี่ยนแปลงของสังขารมันเป็นมาแต่แต่ไหนแฉะไรแต่เรายังไม่เกิดมันก็เป็นมาอยู่อย่างนี้เราตายไปแล้วพวกที่เกิดมาใหม่มันก็เป็นไปทานองเดียวกันมันไม่มีอะไรที่ผิดแตกแต ก, แ ต, กต่างกันอดีตกับ ปัจจุบันหรืออนาคตอยู่ทึงความเกิดนำทุกข์นำโทษมาให้ความห<อ>ิวมันก็ทําให้เกิดทุกข์ความการหายก็ทําให้เกิดทุกข์ความเหนื่อยมันก็เกิดทุกข์นอกจากนั้นโครคไข้ไข้เจ็บต่างๆมันก็เบียดเบียนเพราะเป็นสี่พักสี่อาใส่ข้อโครคไข้ก่อนกายอันนี้เป็นก่อนของโลกต้องเรียนคำนุก บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลายังมีลมหายใจออกเข้าอยู่เมื่อใได้ก็จะต้องได้รักษาได้รักษามันก็เกิดโรคเกิดภัยแต่รักษาอยู่มันก็ยังเกิด อ, อยู่โรคอันนี้หายไปโรคอันใหม่เกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นแต่ทีกว่ามันทุกข์จิตใจมันไม่ชอบไม่ยินดีไม่อยากจะพิจารณา ว่าทุกมันเป็นความจริงอันหนึ่งมันก็จริงอยู่อย่างนี้ใครจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็จริงอยู่อย่างนี้ความจริงมันหนึ่งนี้ไปไหนมันเคยเป็นมาอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นใครจะหลงมันไม่ใชใครจะรู้มันก็ตามหน้าจีตของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันการเจริญกำหนดจิตกําหนดใจพิจารณา แต่อใจตามจริงๆเผื่อแจ่ไข่ใจถิดไปยึดจิตชิดตัวว่าต้นว่าคนว่าสัตว์ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างถีอไปสมมุติมั่นไหมายเขาเป็นถาดอันหนึ่งเป็นสังขานอันหนึ่งแต่เราก็ไปสมมุติมั่นไหมว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าลูกว่าล้านว่าผ่อว่าแม่ยว่าพระว่าเนร คามจริงๆเหล่าน in anyway? in in ั้นเป็นเรื่องสมมติถากขันจริงจังมันไม่ตังว่ามันเป็นอะไรเช่นผมมันเราจะเรียกเชื้าก็ได้เรียกผมก็ได้เรียกอะไรอะไรไปก็ได้มันไม่เคยโกรธเคยดุเคยด่าเคยว่าเคยกล่าวใครขนก็เหมือนกันเรียกฟันก็เหมือนกันน่าจีบพวกมัน เป็นอยู Or, there, er ่อย่างไรมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันแต่ความยึดมั่นของจิตของใจมันสําคัญหมันหมายว่ายิ้งว่าใช่ว่าเราว่าเขาจิตใจมันไปยึดเอาสิ่งสิ่เขาไม่รู้จักเกิดรักเกิดชอบขึ้นก็เลยเกิดทุกเกิดโทษเพราะความไปยึด เข้าใจตามเป็นจริงของมันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแปรปวนและแตกสลายาที่เจนาให้รู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงทุกนี้มันมีเป็นของจริงอยู่อย่างนี้ <S <S เกิดมีมาเมือ่อใดความแก่ความเจ็บความตายความพราผ่าจากสิ่งของผีรักที่ชอบใจมันก็จะต้องพ่าผ่าเลื่อยไปไหนว่าเขาว่าเราหมาว่าอาดีตปัจจุ บ, บันอนาคต มันเป็นอยู่อย่างนั้นเระพุทธเจ้กจึงเรียกว่าอริยสัจเพื่อให้กําหนดให้รู้ตามเป็นจริงของมันเมื่อรู้แล้วความยึดถือความเกี่ยวข้องความสําคัญมันไหต่างๆก็ให้ทอดให้ถอนออกไปเรียกว่าสมุติทัยคือตัวก็ให้เกิดทุกทางใจทุกทางกาย เป็นทุกอันหนึ่งทุกทางใจเป็นทุกอีกอันหนึ่งเมื่อเราแจกไขด้วยสติด้วยปัญญาด้วย <c oughs> สมาธิภายในแล้วเข้าใจตามเป็นจริงว่าจริงหนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงหนนั้นมันเป็นอย่างนี้ความยึดมั่นของใ จ, ใจที่เคยยึดไว้มันค่อยคลายไปหายไปกลางไปหลุดไปโดยอำนาจ ปัญญามันละมันถอนความยึดความถือ น, นั้นนั้นความทุกข์ของใจมันก็หมดไปพอความจริงมันเป็นอย่างไรพอใจอย่างนั้นความยึดมั่นของใจเดี๋ถอดถอนออกไปนี่กาเรียกว่าสมุทัยให้ละอย่าไปยึดไปถืออย่าไปคิดไปปรุงให้มากเกินไปเมื่อละขาดจากใจ ได้จริงจังแล้วเห็นตามเป็นจริงว่าจริงหรือนัน้นมันเป็นจริงอย่างนั้นความยึดมัน่นของจิตของใจมันปล่อยไปวางไปแต่ละสมุติไทยคือความทุกข์ทางใจออกได้เมื่อละความทุกข์ทางใจออกได้ก็ยังเหลือแต่ทุกข์กายทุกข์ขันวันไดวันหนึ่ง ม, มันแตกสลายหมดลมหายใจก็หมดเรื่องกัน ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวก่วอภพก่อชาติอีกผูกฝึกปฏิบัติผูกฝึกหัดภาวนาจะทราบจะเห็นในจิตในใจของตนผูกไหมฝึกหัดปฏิบัติทางจิตใจถึงอายุจะมากขนาดไหนมันก็ยังไม่เห็นไม่เป็นไปในใจความทุกข์นั้นนั้นมันก็อข้อคว ร, ควรคจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่เรื่อยไป เด็กท่านท่านจึงให้ที่เจนะให้ปฏิบัติกายว่ า, จาใจใจของตัวเผื่ละจิ่สิชั่วสิ่เสียอย่าให้มันไปทําไปพูดให้มันไปคิดไปติดไปคล้องคือการละสมุทยัยความสําคัญหมือนหมายของใจเมื่อเราละได้ขาดออกไปเมื่อไรใจมันจะของสายใจมันจะเบาใ จ, ใ จ, ม, จ, าใ จ, ใจมันจะสบาย พยายามที่นี้พิจารณาพยานะยามแกไขยี่เหลี่กันหาความปกปิดสติปัญญาของตัวแต่ละมันได้เข้าใจตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นท่านเย็นท่านส บ, บายอย่างไรเราควจะเห็นจะเป็นเหมือนท่านเราควรจะไม่มี อ, อะไรสงสัยไม่ว่าชาติใดภาษาใดความทุกข์ของใจความ เป็นจิตของในวัตถุสิ่งของในตัวในตนในคนใ น, ในสัสมมตว์มันเหมือนกันหมดดังนั้นของจริงมันเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นจะสมมติไปอย่างไรมันก็เป็นของจริงอยู่อย่างนั้นเมืเ่อเราละเรื่องสมมุทยัยด้วยใจไปยึดไปถือไปเกียวไปข่องไปคิดไปปู ว่าตัวว่าตนรับคนว่าสัตว์ขาดตกออกไปจากจิจากใจเหนือใดใจมันก็พ้นไปใจมันก็หลุดออกจากความยึดความถือใจก็เห็นแจ้งชัดเจนตามความเป็นจริงของมันทั้งศาสนาขันธ์ว่านีโรตคือความแจ้งประจับในจิตในใจของตนเองสิ่งส่วนรู้ แ ล, ลแล้วก็ได้รู้สิงที่ควรละเราก็ได้ละเราก็ทราบก็เข่อใจละขาดไปอย่างไรเราก็เห็นแจ้งในใจของเราทางดําเนินสือความละความถอนความสิ้นไปจากยิเลียกของใจสั่งคือเรียกว่ามรสมาทิฏฐิสมาสังกัปโตเป็นปัญญา เป็นหัวหน้าของมัดให้เห็นถูกเห็นจริงอย่าเห็นวิปริตคิดไปในเนี่ยที่จะแช่จะไขอย่าคิดสะสมเรื่องอารมณ์สัญญาอย่างที่เรียกตัณหาเอาไว้คนว่าดำลิชอบสมาธิเห็นชอบ คือเห็นทุกเห็นสมุทัยเห็นนิโรธโลดเห็นมัดเห็นตามเป็นจริงประจักในจิตในใจน้ารีชอบคือดํารีออกไม่น้ำรีก่อพบก่อชาติไม่น้ำรีพยาบาลเบียดเบียนน้ารีนี้จากทุกจากโทษจากพบจากชาตินี่ธรรมะสังกัปโปคือดํารี จะออกจากทุกจากโทษจากพบจากชาติจากการมาจิเลศการจิตทีนี้พิจารณามันก็มีทางที่จะพิจารณาได้หลายวิธีด้วยกันแล้วแต่สติปัญญาของใครชอบวินิจฉัยทีนีพน้พิจรารณาคนนั้นก็จะเกิดปัญญา แจกไข้ใจจิ่ของจิตคิดรุงต่างๆให้เข้าใจตามเป็นจริงความจริงทุกสิ่งมันก็จริงอยู่อย่างนั้นแต่ใจของเราไม่จริงมันก็เลยหลงสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างนั้นจริงนี้ว่าควรเป็นอย่างนี้แต่ของจริงนั้นถึงใครจะหลงไปขนาดไห น, นมันก็ไปหลงไปด้วยความแจกความเจ็บความตายเราจะหายหยุดหายยามารักษาฮะ มอมาพยาบาลฮะสถานที่ให้อยู่ให้อาศัยเพื่อความปลอดภัยจากความแก่ความเจยบความาตายนี้ไม่มีเมื่อเกิดมาแล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องมีอยู่เป็นธรรมดาไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดอยู่ไก่อยู่ไกลอยู่สูงอยู่ตำ่ำอยู่ในน้ําบนบอกอยู่ใต้ดินบนอากาศมันเหมือนกันหมด ปัญญาของเราเข้าใจตามเป็นจริงแล้วมันก็หายสงสัยใจไม่หลงใจรู้ใจเห็นแจ้งในอดในธรรม่างเียกว่านิโรธต่างเรียว่าสัมมาทิฏฐิได้เห็นในจริงต่างๆตามเป็นจริงของมั น, นเป็นวิจฉาทิฏฐิ ความรู้ผิดเห็นผิดก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เราเข้าใจไปเป็นอย่างหนึ่งแต่เป็นมิจฉาทิจิความเห็นผิดรู้ผิดเข้าใจผิดมันก็่อกอทุกข์ก่อโทษให้แก่ตัวแต่เป็นสัมมาทิจิความรู้ถูกเห็นถูกมันก่อละก็ปล่อยความยึดความถือของใจและส ม, มุติไทยคือสิ่งที่ก่อทุกข์ ใจใจของตัวเองออกได้จึงไงทนี้พีจเจน่าให้ศึกษาโดยสติโดยปัญญาต่างๆต่างามีศรัทธาความเชื่อมั่นมีความเพียรขยันคิตกลัวใจจิตใจใจที่ลุ่มทีน้อยทีหนวดทีบอดหายไปความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิด ตามเป็นจริงของมันอยู่อย่างนั้นเราไปหลุมไปหลงเขาแต่ เ, เขาไม่รู้อิโน อ, อิเนอะไรกับเราแต่ก็ไปเย่า อ, อันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นของของเราอยู่ทั้งทั้งที่จริงเหล่านั้นความจริงของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามหน้าจีของมันความแก่ความเจ็บ ค, ความตายความ้าดขาดจากักจริงของต่าง ใจน่ะให้เห็นแจ้งในจิตในใจมันก็ค่อยเบาไปสบายไปละไปถอนไปในยึดข้องในสิ่งของในตัวตนคนสัตว์นี่คือสัมมาทิฏฐินำดำดิก็ดำดิไปเสื่อให้จิตใจออกจากความยึดความข้องคําเหี่ยความมองความติด ในีิเลสตัณหาต่งตางหาทางออกจากมันทาไม อ, าออกมันก็ไม่มีทางที่จะประสบพบความสงบความเมตาบู้อื่นของจิตของใจมีแต่ทุกข์แต่โทษอยู่เรื่อยไปดือการที่แจนาหาทางออกของใจะ ไล่ความสงสัยความหุ่มหลงสิ่งทุกอย่างในตัวของเราเราไปสําคัญเหมือนไหมว่าอันนั้นเราอันนี้เราความจริงตาหูจมูกลิ้นกายมันหมีอะไรมันไหนว่ามันเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายถามมันก็ได้มันไหนตอบม่นอยู่ตามเหลวงของมัน สาเหล่านี้หน้าี่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไป ต, ตามเรื่องของมันอีกเราจะหึงจะหวี่ยงจะรักษาเยอะยาวไว้ขนาดไหนนั่นก็มีนี้ไปจากความจริงของมันคือมันเกิดขึ้นแ ล, แล้วก็แปรปรวนแล้วก็แตกสลายหน่นาที่ของมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะลุ้มล้มขนาดไหนก็มีแต่ความทุกข์ของจิตของใจเท่านั้นแตาเรารู้ สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่อย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นคือมันหนื่อยใับผมจิตใจของตัวในทุกโศกในยึดถือในเกิดทุกเกิดโทกเพราะตามความเป็นจริงของมันแล้วมันเบามันสบายมันหายความติลดความขคล่องหรืออย่างการลาการถอนการที่เจริญมัร ทนให้มากเรียนให้มันมากความเต็นไปของจิตของใจน้องโตจะแี่นใสชัดเจนละถอนปล่อยวางของมันไปเองสัมมาวายจะสมากรรมันโตสมาอาชิโวนั่นต้ดก็ว่ามักเหมือนกันแต่เป็นสาขาออกไปจากสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโตมันสัญยาว่าสี้น จำเหวี่วายตาพูดสิ่งสิจริงสิงิเท็จจิตามไร้ล้วเว้นสิ่งสิเป็นทิศเป็นใครอย่าไปพูดเปิดสิ่งผิดเกิดตาระไปโย่ทั้งตัวเองพูดไม่คิดว่าเกิดถิดเกิดทช้คนอื่นที่ได้สร้งก็น ไปทีนี้พิจารณาถูกเกิดประโยชน์อะเรีย่าสามาวาจาบาจาชอบคือไม่พุทจริษในผุดเทดผุดซอเสียตผุดคำยาผุดหรือหลายหลายประโยชน์ผุด จ, จ, จริงจจริงในมันจริงอย่างไรผุดไปอย่างนั้นํามากัมมันโตการงาน ชอบคือประกอบการงานที่ปราศจากทั่วเบียดยังตนและคนอื่นทำการงานที่ปลอดภัยอย่างนี้นักาบัานิตเขาบำนิจเจียมได้ทำการงานของคลราว่าหาขายก่อนสุสัดสุจริตอย่เอารัดเอาเปรียบ ดีก็ บ, บอกว่าดีท้องช่วก็ บ, บอกว่าช่วท้องปลามก็ บ, บอกว่าปลามท้องจริงก็ บ, บอกว่าจริงคือวาจาที่จริงติดตามเป็นจริงของมันการงานที่เราทําเราก็ทําไปตามความจริงไม่ไปเบียดเบียนตนคนอื่น ทำสิ่งใดก็ทำไปเดี๋ยวฟังื่อสั์ ส, สุดจริตใจนี่ว่าสมารกรรมโตคือทำการงานชอบทำสิ่งที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในปัจจุบันในชาติหน้าสมาชีวเลื่องชีวิตชอบคื่องใหม่ไปส่วนไปจีไปขาไปตี ของคนอื่นมาเป็ของของต น, คนชีวิตเจอความฝึจอิตบริสุทธิ์หมายถึงคารวะชดวิต ด, ดำเนินชีวิตบวชนักบวดนักปฏิบัติมากก็มีนักหยาบมักกลางมักละเอียดนักหยาบก็ทำ ด้วยความสุขสุขจริตการเมืกอนี่การงานของตนคิขคิดไปทีทั้งสุขจริตสุกสุขไปททั้งสุขจริตามักของสาระศาสนักสัญญาบักสัญร้างส่วนกท่คือต่างหน้าต่างตา เราพูดปฏิบัติการการทพระพุทธเจ้าสนถึงได้ควรละควรบำเพ็ญดีถึงควรไว้ละและบำเพ็ญถึงละควรควรปฏิบัตินของงานบวช สัมมาวาจาสัมากัมมันตุส <c oughs> ัมาคีวะฮะคำบริกรรมมาบริกรรมให้จิตใจทั้งตนอยู่กับคำบริกรรมให่ฝูงฟูเมื่อคิดคิดค่อกับสัญญารมภายนอกความสงบความยงรวมความ อยาเย็นของจิตอย่สู่สัมมาวาจานธรรมะมบริกรรมมาหอเลี้ยงจิตใจทั้งตนจิตใจฝุ่นซุ้มจิตยุทธต่างๆให้สงบตกไปทำงานก็จะเดินดวงกลมหนึ่งภาวนาเราจะแยจิตใจทั้งตน หลุมหลงจิตครอบนึกคิดไปในทางผิดมีสติมีปัญญาดูแลรักษ า, า, ากายใาใจใจของตัวอยู่สม่ำเสมอทาําไปงานชอบคืองานละขี้เล็ดอย่างใดขิดเป็นขี้เล็ตัณหา สิ่งโลกยังมีอยู่ในกายในวาจาในใจหยุดละวสิ่งนั้นส่วนนั้นให้ตกออกไปให้ใใหมดออกไปมันยังอยู่เหนืออะไรก็ต่างหน้าทำงานดูการวิธีเจรจาการทหน้างภาสาอย่างชีวิตชอบคือหาอัดหาทำราเรียกชีวิตของตัว จิตของตัวมันชั่วมันเสียหาคุณหาสมาทิ่หาปัญญาหาวิชาวิ ม, มุตตเราเรียนจิตให้จิตมันจะเริมนมเติโตไปจากทุกแตก